สองเดินล้ำไปก่อนแล้วเบื้องหน้าและเสียงระพินก็พูดกับนายคิดเบาๆได้ยินกันเพียงแค่สองคนเท่านั้นคิดหัวร่องอหายแขวงมือมาทําท่าจะจับอะไรกลางลําตัวเขาแต่ระพินใช้เข่ายันสกัดไว้ก่อนอย่างรู้ทันแล้วผลักคิดถลําไปเบื้องหน้าดีดปลายเท้าข้างนั้นปาบเข้าไปที่ก้นของนายนั่นเบาๆจีไอจอมทะลึ่งยิ้มแห่ง ไม่กล้ามาล่วงล้ำอธิปไตยอะไรเขาอีกสเตลีเบ์คริสติน่าและเชิดวุฒพร้อมพวกลูกหาบที่เหลืออยู่ออกเดินตามหลังไปอย่างง่ายๆไม่ต้องมีการร้องบอกชักชวนอะไรกันอีกส่วนพวกที่แบกเนื้อสันของควายป่าที่แล่ออกเป็นเส้นแท่งเบอร์สองแท่งยาวแท่งละเกือบสองวาราวกระลำต้นไม้ขนาดย่อมๆก็พากันเดินตามหลังมา อึดใจต่อมาภายในช่องทางเดินเข้าหูที่เริ่มคลึ้มสลัวนั้นคณะนายจ้างทั้งหมดเร่งฝีเท้าขึ้นมารวมกลุ่มทันรพินกับคิดซึ่งเดินเคียงคู่กันอยู่นีรพินมีอะไรที่คุณพอจะจําได้บ้างไหมในนิทรรนครที่ผ่านมาแล้วแล้วจุดที่คุณมุ่งเข้าหานี่หัวน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ถามอย่างเคร่งขรึมเป็นกิจจลักษณะ ครับดรนอกนอจากการที่จะวกกลับไปสำรวจที่เนินเหล่านั้นแล้วเนี่ยผมจะต้องค้นหาจุดหมายสำคัญให้ได้สมสิ่งซะก่อนครับอันดับแรกก็คือสุสานใต้เนินที่นายจ้างของผมสองคนเคยเข้าไปติดอยู่อย่างที่สองก็คือปราสาทพันธุมวดีที่ระเบิดปรักหักพังถล่มไว้ในครั้งนั้นและอันดับสก็คือทุ่งหญ้าที่มีกองหินวางทิ้งอยู่อันเป็นปากทางเข้าจุดแรก เมื่อเราเดินมาคราวก่อนนั้นถ้าพบจุดใดจุดหนึ่งในจำนวนสามจุดนี่ผมก็แน่ใจว่าเราเข้าถึงนิทรานครแล้วแต่นี่ผมผมยังไม่แน่ใจครับสแตนลีย์พยักหน้าช้าๆกล่าวเหมือนจะให้ความเห็นว่าอืมอาณาจักรลึกลับที่คุณบอกมานี่ผมว่ามันจะต้องมีอาณาบริเวณกว้างไกลมากทีเดียวละ นครทั้งนครน่ะไม่ใช่บ้านคนเพียงแค่หลังเดียวมาครั้งก่อนนี่คุณคงจะยังสำรวจไม่ทั่วถึงหรอกนะเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะเหยียบเข้ามายังดินแดนนี่แล้วส่วนไหนที่คุณยังไม่พบมาก่อนคุณก็ไม่รู้ได้แล้วก็ทําให้เกิดการงงไม่แน่ใจขึ้นครับก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแหละครับดรผมยอมรับครับว่าพวกเราในครั้งนั้นไม่มีเวลาที่จะสำรวจเมืองรางทั้งเมืองได้ทั่วทุกตารางนิ้วหรอกครับ ป่ามันขึ้นบางไปหมดเราค้นพบแค่เพียงบางส่วนแล ะ, ะเผชิญหน้ากับมันในบางส่วนเท่านั้นเมื่อทำลายริดเดตมันลงได้เราก็พละเดินทางต่อทันทีเพราะเราไปในครั้งนั้นไม่ได้มาเพื่อสำรวจเมืองโบราณแห่งนี้เรามีจุดหมายปลายทางของเราก็เหมือนเหมือนกับที่มาคราวนี้แหละเราก็มีจุดหมายปลายทางที่ซากเครื่องบิน52าบีแล้วก็ระเบิดนิวเคลียร์ลูกนั้นถ้าเราจัดการใอ้ผีหาซาตานลงได้ ไม่ให้มันมาคอยดักรังควานทำอันตรายเราอยู่อีกเราก็จะบ่ายหน้าต่อไปขอถามอะไรสักนิดเดียวละ่ะเกี่ยวกับวิทยุเครื่องใหญ่ของเรานั่นดกเตอร์ตอนนี้ยังพอจะติดต่อกับศูนย์บังคับการได้ไหมตลอดวันนี้เพราะตอนพักหลายครั้งผมเห็นคิดกับคุณพยายามที่จะเรียกสแตนลีย์เบะปากตาสีฟ้าของเขาหมุนลงแต่ก็ยังเต็เมไปด้วยประกายกล้า บอดสนิทเลยคุณเราออกพ้นนอกโลกของภูมิศาสตร์แล้วล่ะระพินแต่วิทยุมือถือของเราก็ยังติดต่อกันได้นี่ครับด็อกเตอร์เออไอข้อนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงได้เป็นอย่างนั้นระพินไม่กล่าวอะไรอีกเกี่ยวกับวิทยุที่ใช้ติดต่อกาศูนย์หรือหอบังคับการซึ่งบัดนี้เขารู้แล้วว่ามันคือสถานีอวกาศที่โคจรอยู่เหนือผิวบรรยากาศของโลก แต่สั่งการไปทางบุญคำกระเสรยทันทีโดยอนุญาตให้ทั้งสองคนล่วงหน้าเข้าไปสำรวจแหล่งน้ำและสถานที่ที่จะใช้พักแรมคืนนี้ก่อนเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเพราะรู้อยู่แล้วว่าลำพังตัวเขาเองขน่คณะนายจ้างคงไม่ยอมให้ห่างพ้นสายตาเป็นอันขัดบุญคำและเสริเพอได้รับคำสั่งก็ออกเดินลิว้วตัดหน้าพักพวกขึ้นไปก่อนโดยเร็วเพราะไม่ได้แบกหามของอะไรให้เป็นภาระ ลำพังตัวเปล่าๆและถุงย่ามประจำตัวเท่านั้นและพลานพื้นเมืองของเขาพวกนี้ลงได้รับอนุญาตหรือคำสั่งให้ปรีกตัวแยกเะ่นนั้นไปได้ก็ไปกันเหมือนสัตว์ป่าคือพริตตาเดียวก็หายลับไปในทันทีโดยมีมีดลิรกิ่งไม้เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าบ่ายหน้าไปทางไหนสิ่งที่อุ่นใจอีกประการหนึ่งก็คือบุญคามีวิทยุประจาตัวสาหรับติดต่อได้ตลอดเวลาไปด้วย การเดินในหุบที่ต้นไม้เริ่มจะแผ่กิ่งก้านสาขาคลึมนี้ผ่อนความทรมานต่างกว่าเดินมาต่างกว่าเดินมากลางทุ่งอันร้อนแรงราวกระเตานรกมากนักและทั้งหมดก็ไปกันได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยมากนักแม้ว่าความกระหายน้ำยังคงมีอยู่เหมือนเดิมก็ตามทีป่าสองฝั่งทางเงียบกริบไม่มีแม้แต่เสียงนกสัตว์เลยคลานหรือสัสําเนียง ของจักรจันเรไรทุกคนสังเกตเห็นระพินเงียบไปตามเดิมและไรเฟิลที่สะพายไหล่อยู่บัตรนี้ปลดลงมาถืออยู่ในมืออาการเช่นนั้นทำให้ทุกคนเตรียมพร้อมทันทีโดยไม่ต้องนัดแนะเพราะสังเกตกิริยาและคุ้นเคยกันมาดีแล้วไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นทุกคนก็มีความรู้สึกตรงกันหมด ว่าทุกฝีก้าวของการเคลื่อนไหวไปกันเงียบเงียบนี้ตกอยู่ในสายตาการเฝ้าจับมองของอะไรสักอย่างหนึ่งเพียงแต่มองไม่เห็นตัวเท่านั้นสังหรณ์ที่เกิดพร้อมกันก็คือมันติดตามดูการเคลื่อนไหวของทั้งคณะไปทุกระยะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเพียงแต่ไม่ปรากฏตัวให้เห็นเท่านั้นแล้วสิ่งนั้น ไม่ใช่สิงสัตว์จัตรุรบาดใดๆทั้งสิ้นแต่จะเป็นอะไรก็บอกไม่ถูกขนปากมากขนาดคีดหรือเบลเองบัดนี้ก็ยังหุบปากเงียบถือปืนในท่าเฉียงอาวุธพร้อมที่จะกดต่ำลงมากระหน่ำยิงได้ทุกขณะรอยเท้าช้างป่าและมูลสดๆของมันเริ่มมองเหินหนาตาขึ้นทุกทีผ่านแหล่งดินโปง่ง มีรอยงาแทงกระจุยกระจายไว้จากร่องรอยมันน่าจะเพิ่งผ่านไปเมื่อคืนนี้เองเอื้องพึ่งช้างนาวและกอต้นว่านบางชนิดบอกให้ระพินสัมเนียกได้ทันทีว่าแหล่งน้ำไม่น่าจะอยู่ไกลนะักและพื้นดินก็เริ่มชุ่มชื้นขึ้นระพินเข้าดงแล้วทำไมป่ามันถึงได้งเงียบแบบนี้สแตลลีกระซิบ ถามเขาเบาที่สุดครับมีสิ่งอันเป็นอันตรายและมีอิทธิพลอยู่เหนือสัตว์ทุกชนิดแวดล้อมรอบตัวเราอยู่ในขนะดนี้ครับและนี่ก็คือสูตรสำเร็จที่เราจะรู้ได้จากป่าทุกแห่งถ้ามันเงียบผิดสังเกตไปแบบนี้แต่ไม่ต้องกลัวครับมันยังไม่กล้าจู่โจมหรอกสัตว์ร้ายหรืออะไรล่ะคุณ โดยทั่วๆไปแล้วจะเป็นอิทธิพลมาจากเสือครับแต่สำหรับขนาดนี้ผมไม่คิดหรอกว่าจะเป็นเสือแต่มันจะเป็นอะไรก็ใคร่ครวงกันดูเองแล้วกันคุณไอ้ผีดิบหมื่นปีหรือแสนปีต น, นั้นนี่ปะระพินยิ้มมุมปากตาคมไวของเขาไม่อยู่นิ่งกราดไปรอบ ๆ, ๆ, ๆก็อาจจะเป็นได้หละครับมันกำลังเฝ้าสังเกตดูเราอยู่ด้วย แล้วแล้วสองคนของเราที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วคุณไม่ต้องคง่งนะครับบุญคำก็เสริฐตัวรอดได้เสมอแล้วครับทันใดนั้นทุกคนก็สะดุ้งสุดตัวหันปืนขับจ้องไปในทิศทางเดียวกันหมดยกเว้นระพินคนเดียวที่ยืนเงี่ยหูฟังเฉยมันเป็นเสียงหักคลืนครืมของกิ่งไม้ท่ามกลางความเงียบดังส น, นั่นระกิงไม้อื่นๆลงมา แล้วก็โครมสนันลงมากระแทกพื้นดังมาจากดงทึบฝั่งซ้ายมืออะไรเชิดวุธอุทานออกมาภายหลังจากพากันยืนเงียบไปขณะกิจหนึง่งระพินบอกมาเสียงเบาวๆว่าไม่มีอะไรหรอกครับแค่กิ่งไม้เก่าแก่มันผุหักหล่นมาจากที่สูงเป็นเหตุการณ์บังเอิญนะครับเดินต่อได้แล้วครับ เขาโบกมือเป็นสัญญาณให้ทุกคนเคลื่อนที่ต่อไปทั้งหมดยังไม่หายตื่นเต้นต่อเสียงนั้นคริสตินา่าผู้จัดว่าสติมั่นคงดีที่สุดถอนใจเฮือกเอามือขึ้นรูปอกแล้วทำอาเมนเงียบเงียบเดินกันไปได้ช่วงอีกชั่วโค้งของพุ่มคอยที่บังหน้าเกิดผู้เดินคุมอยู่เบื้องหลังสุดก็วิ่งเหาะเหาะเข้ามาที่ระพิน อันเดินรวมกลุ่มอยู่กับคณะนายจ้างรายงานเร็วปรือแต่แผ่วเบานายๆายนายซื้อเหลือง ม, มันตามหลังหน้าตาบกับพวกลูกหาบที่แบกเนื้อควายมาห่างสักยี่สิบวายหินจะได้ไนานตัวทะลุมามันตามรอยเลือดที่หยดกับพื้นพอจะยิงมันก็หลบพอออกเดินมันก็สะกดตามอีกอ่ะถ้างั้นก็ตัดเนื้อทิ้งไว้มันสักก้อนหนึ่งโตโต เนื้อเราแบ่งมาเหลือเฟือแบ่งให้มันมั่งทิ้งไว้กลางทางนั่นแหละแล้วก็เดินกันต่อมันได้เนื้อแล้วก็ไม่ตามเราอีกกระปินสั่งเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเอางั้นเนอะนายก็งั้นแหละที่เรายังหิวมันก็หิวกันไม่จําเป็นอย่างยิ่งไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปยิงมันหรอกเอาเนื้อแบ่งให้มันไปเกิดเล่นกลับไปดําเนินการเบื้องหลังตามคําสั่งทันที พวกนายจ้างฟังไม่ทันต่อเสียงกระซิบกระซาบนั้นพากันมองหน้าเขาอีกแต่รพินโบกมือตัดปัญหาโดยอำพรางไปว่าไม่มีอะไรรล้ครับเกิดก็ามาบอกผมว่าเนื้อที่พวกนั้นแบกมามันหนักเกินไปแล้วก็ตกครุกฝุ่นดินเลอะเทอะไปหมดผมก็เลยให้ตัดทิ้งซะบ้างมันจะได้เบาๆโดยให้ตัดบริเวณที่ถูกดินทรายออกไปซะ ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อในคำพูดของเขาระพินไม่สนใจคงเดินหน้าในสภาพปกติต่อไปแล้วก็ไม่มีใครมาถามคาดคันซักไซอะไรเขาแม่จะอยากถามก็ตามเพราะระพินเร่งฝีเท้าตามรอยลิดกิ่งไม้ของบุญคำกระเสรไปโดยเร็วเท่ากับเป็นการเร่งให้พวกนั้นทำเวลาขึ้นอีก อีกเพียงแค่สามสี่นาทีต่อมาเท่านั้นวิทยุของทุกคนที่เน็บเอวอยู่ก็มีเสียงตื่นเต้นของบุญคำดังกล้องออกมาวู้วูน้นายนายเออได้ยินว่ายังไงอู้อยู่ได้เขาถามวิทยุออกไปพบตาน้ำแล้วนายไหลออกมาจากผนังลำห้วย มันไหลรินออกมาเรื่อยๆลงไปก้นห้วยลึกเป็นลําธารเล็กๆนัน่นอืมดีมากอยู่ที่ไหนอะ่ะขณะนี้พวกเรายืนกันอยู่ที่ต้นกระบากตรงที่บุญคำมา ม, มีดเฉาะเลือกไว้อะแต่พรานเท่าไม่ตอบมาตรงคําถามแต่บอกต่อมาว่านายตาน้ามี่มันไหลรีกรีกออกมาน่ะเหมือนเป็นเส้นทางแยกของลําธารใต้ดินมันพานออกมาจากหินศิลาแรง เหมือนจะเป็นหินก่อกำแพงเมืองอะ่ะล่าห้วยนี่มันน่าจะเป็นคูเมืองน่ะนายแต่มันถูกดินทับอยู่ข้างบนฮะว่าไงอนะกำแพงเมืองเหรอเ้าร้องถามออกไปเร็วหรือทุกคนไหวตัวพรึบพร้อมกันหมดถ้าคำนิ่งไปอึดใจก็บอกมานน้ำเสียงตื่นเต้นตามเดิมว่าใช่แล้วใช่แล้วนายกำแพงโบราณแน่ๆน่ ลำห้วยนี่มันน่าจะเป็นคูเมืองอย่างที่บุญคำกันนายเคยพบกันมาก่อนในคราวนั้น่ะแต่มันคนละแห่งกันน่ะนายจําได้ไหมเพราะเราพบขอบกําแพงเมืองฝังดินอยู่ตามขึ้นไปอีกนิดเดียวเราก็พบผ้าซับประจําเดือนของแม่มาเรีอาลูบๆมันเหมือนๆกันนั่นแหละแต่มันเป็นคนละแห่งกันกันที่เราพบมาแล้วอ่ะนายเสียงของบุญคําดังก้องชัดเจนมากและทุกคนของคณะนายจ้าง ก็ได้ยินพร้อมกันหมดเออรออยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราทั้งหมดจะตามเขาไปเดี๋ยวนี้ขณะที่อยู่กันสองคนระวังตัวด้วยนะกระพินสั่งในทันทีแล้วก้าวพรวดพรวดออกนำหน้าโดยอาศัยสังเกตรอยลิดกิ่งไม้ของทั้งสองที่ล่วงหน้าไปก่อนซึ่งเชื่อแน่ว่าทั้งบุญคำและเสยคงจะอยู่ข้างหน้าใกล้ๆนี่เองชั่วไม่นาน ระพินก็นำคณะทั้งหมดตามรอยพรานทั้งสองของเขาที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วมาถึงเป้าหมายภายในดงทึบลักษณะที่เห็นในสายตาชั่วแวบครั้งแรกมันเป็นลำห้วยค่อนข้างกว้างและลึกน่าจะเป็นห้วยแหง้งมีเส้นทางเลี้ยวลดคดเคี้ยวตัดมาตามป่าใหญ่จากเหนือไปสู่ด้านใต้แต่ก้นห้วยที่ต่ำสุดลงไปราวสี่เมตร จากเนินฝั่งด้านบนเป็นพื้นทรายปนกรวดมีสายธารเล็กๆไหลเอื่อยออยเป็นเส้นระดับน้ำที่ไหลอยู่ลึกไม่เกินหนึ่งฟุตและกว้างราวสามฟุตถ้าไม่สังเกตให้ดีเกือบจะไม่เห็นเส้นทางน้ำไหลด้านล่างสุดนั่นเพราะความกว้างและลึกของลําห้วยที่ดูเหมือนจะเป็นคูแบ่งป่าไว้คนละฝัา ขณะนี้ทุกคนมาหยุดยืนกันอยู่เหนือฝั่งห้วยภายใต้ร่มของไซใหญ่มาคือมาแสงตะวันบ่ายจัดที่สองลอดกิ่งไม้เป็นจุดจุดพราวลงมานั้นราวกับสปอตไลท์ทำให้พอจะสังเกตเห็นอาณาบริเวณได้ชัดเจนพอสมควรแม้ว่าจะไม่สามารถมองไปได้ในรัศมีที่ห่างไกลออกไปมากนักก็ตามจุดแรกที่ทุกสายตาพุ่งไปจับก็คือ ร่างของบุญคำและเสยผู้กำลังเกาะอยู่บนรากไม้ของผนังห้วยฝั่งตรงข้ามซึ่งโผล่งงอกออกมาเหมือนขั้นบันไดทั้งสองส่งเสียงร้องบอกข้อความอะไรมาโวกเกวกพร้อมกันก็ช่วยกันใช้มีดเดินป่าประจำตัวขูดเลาะตะไคร่สีคล้ำที่เกาะจับอยู่ยังตำแหน่งที่น้ำซึมปริมปริ ม, รมไหลรินออกมาจากผนังห้วยอันมีระดับต่าจากขอบลงไปประมาณหนึ่งเมตร เพื่อจะดูพื้นผนังที่แท้จริงของมันว่าเป็นอะไรแน่และเมื่อระพินนำคณะนายจ้างมาถึงนั้นทั้งสองช่วยกันขุดตะไคร่ออกไปได้เป็นบริเวณร่วมสองตารางเมตรแล้วและเห็นหินลักษณะน่าจะเป็นแผ่นมีผิวครุขระขนาดใหญ่สภาพของมันคล้ายพวกศิลาแรงมมีรอยซ้อนทับกันอยู่แต่ละรอยที่ซ้อนทับเรียงสลับกันของมัน มีขนาดความกว้างหรือความหนาประมาณก้อนละสองฟุตตาน้ำไหลซึมรินๆออกมาจากรอยซ้อนทับของหินที่ขูดออกมาให้พบนี้และห่างไกลออกไปอีกเกินกว่าที่บุญคำและเซยจะสำรวจได้ทั้งหมดเห็นน้ำไหลออกจากผนังห้วยด้านนั้นอยู่ทั่วทั่วไปบางแห่งซึมน้อยๆเป็นทางออกมาริกๆตลอดเวลา และบางแห่งก็พลูพรั่งเหมือนตาน้าจำลองเล็กๆซึ่งน้ำที่ไหลหลั่งออกมาจากผนังห้วยฝั่งตรงข้ามเหล่านี้เองที่หยาดลงไปยังก้นห้วยด้านล่างสุดก่อให้เกิดเป็นเส้นทางน้ำไหลหรือสายทานเล็กๆขึ้นปากลําห้วยด้านบนสุดที่มายืนมองกันอยู่ขณะนี้กว้างราวห้าหเมตรขนาดของมันไม่สม่าเสมอนัก บางแห่งอาจจะแบกว้างออกไปจนถึงสิบเมตรและบางแห่งก็บีบแคบเข้ามาเหลือสองสาเมตรตามทิศทางที่มันเลื้อยผ่านป่าใหญ่มาสภาพอันแปลกประหลาดของลำห้วยหน้าพิศวงที่มองเห็นอยู่นี่ทำให้ทุกคนจ้องด้วยอาการพินิจและพากันงันเงียบไปชั่วขณะเสียงบุญคำตะโกนบอกมาอีกอย่างตื่นเต้นว่านาย นายลงมาดูหนี่สิมันกำแพงเมืองชัดๆน้วน้ำ ม, มันก็ไหลออกมาตามแนวกำแพงใต้พื้นดินนี่แหละลงไปรวมเป็นลำธาร น, น, น้อยๆข้างล่างนั่นทุกคนตามผมมาครับถ้ายังพอมีแรงแต่ขอให้ระวังหน่อยนะครับลักษณะที่เหมือนลาห้วยตอนนี้น่ะมันสูงมากระวังจะลื่นพลัดลงไปข้างล่างจอมพรานร้องบอกกันนายจ้างของเขาเร็วปรือแล้วสั่งให้พวกลูกหาปลดของไว้ใต้ร่มไทรก่อน ตนเองโหนรากไซ ย, ย้อยที่มีลักษณะเหมือนเถาวันที่พื้นฟังที่ยืนอยู่ไกวตัวเข้าไปยังตำแหน่งที่บุญคำและเสยกกำลังใช้มีดขูดตะไคร้ยอยู่ในขณะนี้โดยเร็วผู้ที่ติดตามเข้ามาอย่างรวดเร็วคือคริสและเชิญวุดส่วนอิสเบรคิดและสตาลีค่อยๆเกาะรากไม้ไต่ลงไปทางก้นห้วยกระจายกันออกสารวจลักษณะทางน้าไหลด้านล่างและแนวที่มันไหลรินลงมา จากผนังด้านบนกับช่วยกันตรวจผนังห้วยอันน่าคิดนั้นโดยการใช้มีดประจําตัวแซขุดคุยตรวจบริเวณและสภาพของชั้นดินหินและกรวดที่ปะบนกันอยู่ระพินนั้นโหนตัวครั้งเดียวก็บรรลุถึงตำแหน่งที่เขาต้องการนำตัวให้มาถึงโดยเหยียบยืนบนชายเชิงรากไม้ต่อหนึง่งได้ถนัดทนี เชอดวุดิแว่งตัวตามมาในลักษณะล่อแหลมว่าจะไม่ถึงถูกระพินฉุดเนียวให้เข้ามาเกาะผนังขอบห้วยเอาไว้ได้ส่วนคริสติน่าใช้วิธีโยนตัวจากเถาวันไปเกาะติดรากไม้ห่างจากบุญคำออกไปราวสามวาจากนั้นก็ค่อยๆไต่เข้ามาสมทบตรงบริเวณที่พรานทั้งสองของระพินขุดตะใคร้ไวหล่อนคล่องแคล่วเหมือนพรานตาอาชีพในด้านการปีนป่าย หรือห้อยหูนโยนตัวในพื้นภูมิประเทศรับขันพรานใหญ่เอามือแตะสัมผัสสายน้ำที่ไหลรินๆออกมาจากช่องรอยซ้อนทับของหินนั้นกระแสน้ำเย็นเฉียบสภาพของมันคงจะไหลอ ย, อยู่เช่นนี้มาชั่วนาตาปีเพื่อสร้างให้เกิดสายธารเล็กๆขึ้นเบื้องล่างและลักษณะของหินที่ถูกขูดตะไคร่หนาออกไปแล้ว ทำให้แน่ใจอย่างปราศจากข้อสงสัยอีกต่อไป151ใช่มันคือศิลาแรงที่ใช้ก่อกําแพงเมืองป้อมปราการในยุคอดีตการอย่างแน่นอนอะถ้าใครต้องการน้ำดื่มได้ก่อนทันทีเลยครับ นั่นเป็นประโยคแรกที่ระพินร้องประกาศไปทั่วทั่วทั้งกลุ่มนายจ้างและกลุ่มพวกลูกหาบที่ยังอยู่บนฝั่งอีกด้านรอฟังคําสั่งอยู่พร้อมกันตนเองก็จ่อริมฝีปากเข้าไปยังรอยน้ําที่ไหลรินรินอยู่นั่นดื่มเต็มกระหายคริสติน่าและเชิดบุตรปฏิบัติตามเพราะความกระหายน้ําแทบขาดใจที่มีอยู่เป็นทุนเดิมก่อนแล้วส่วนพวกลูกหาบทั้งหมดนั่น ก็พากันเฮรโลไตาตามคณะเจ้านายลงไปยังก้นของลำห้วยทันทีวักสายน้ำอันใสสะอาดซึ่งไหลช้าๆไปตามพื้นกรวดทรายนั้นขึ้นดื่มและรูปหน้ารูปตาบุญคำกระเซยทําท่าจะขูดตะไครเพื่อไล่หาบริเวณอันเป็นกำแพงนั้นต่อไปแต่ระพินตบไหลบอกเสียงเรียบๆว่าไม่ต้องขูดต่อให้เสียเวลาหรอกของมันชัดแล้ว ทั้งสองคนลงไปสมทบกันในใหญ่แล้วก็พวกเราก้นห้วยนั่นก่อนเนอะตาพรานเท่ากับเด็กหนุ่มพรานเด็กหนุ่มของเขาตปต่ำลงไปทันทีตามคำสั่งทุกคนขณะนี้เต็มไปได้วยความยินดีและตื่นเต้นเสิยงบุญคำโห่ร้องเป็นทาซานตะโกนบอกอะไรโวยวายกับพพวกที่ลงไปชุมนุมรอกันอยู่ก่อนแล้วที่ก้นห้วยเบื้องล่างโดยมีสแตนลีย์คีตและอิเบล กำลังยืนแงนหน้ามองขึ้นมายัางพักพวกที่เกาะตัวอยู่เกือบจะกึ่งกลางของผนังห้วยบริเวณอันเป็นแนวน้ำไหลลงมาพอพรานทั้งสองของเขาเบิดทางไต่ต่ำลงไปเชิดวุฒและคริสตินาก็ไต่เข้ามาประกบระพินคนละด้านขณะนั้นเขากำลังใช้สันมีดโบวีทดลองเคาะและกรีดกระทบกับศิลาแรงนั้น เสียงโลหะชนิดดีกับหินแกร่งกระทบกันดังกังวานกริง้งเราพบป้าหมาที่คุณต้องการแล้วใช่ไหมระพินแม่ผมทองจ้องหน้าเขาขมิงกระซิบถามออกมาเบาๆครับเป้าหมายแรกของเราก็คือแหล่งน้ำบริสุทธิ์สำหรับดื่มกินประทังชีวิตและเราก็กําลังพบอยู่เดี๋ยวนี้แล้วครับส่วนเป้าหมายต่อไปก็คือ สิ่งอันจะพิสูจน์ว่าเราเข้าสู่เขตนิทรานครอาณาจักรลี้ลับของมันไรซึ่งเราก็พบเข้ากับบริเวณอันน่าจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นกำแพงเมืองส่วนหนึ่งแต่จะเป็นกำแพงด้านไหนของตัวเมืองและจะเป็นนิทรานครหรือเปล่าผมก็ยังไม่อาจจะให้คำรับรองได้นะครับ<อ>เขาตอบในขณะที่ยังใช้มีดทดลองกรีดฟังเสียงเนื้อเหล็กกระทบหินแกร่งอยู่เช่นนั้น ชัดแล้วลพี่ผมว่าไม่ผิดหรอกนี่มันกําแพงเมืองชัดๆอะ่ะแล้วก็ไม่น่าจะเป็นเมืองไหนไปได้อะ่ะนอกจากเมืองลึกลับที่พี่กับคณะเคยผ่านมาก่อนแล้วนั่นแหละไอ้เนินสูงๆต่ำๆที่เราเห็นอยู่ยังบริเวณทุ่งโลง่งก่อนที่จะเข้ามาใน ด, ดงนี้มันก็เป็นเครื่องยืนยันชัดเข้าไปอีกว่าจะต้องเป็นสิ่งก่อสร้างของอาณาจักรที่มันถล่มไปนี่แหละมันเป็นเหตุผลเจือสนเกี่ยวโยงกันได้พอดีอะ ทั้งๆ ท, ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ผมก็แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่เชิดบุตรร้องมาเบาๆอย่างลิงโลดและแน่ใจเต็มที่ระพินยังไม่ตอบอะไรในขณะนั้นนอกจากมองไล่แนวไปตามขอบลำห้วยทั้งสองด้านอย่างใคร่ควรวญหนักริมฝีปากของเขมเมมเกิดจะเป็นเส้นตรง คริติน่าใช้มือลูบสัมผัสกับแผ่นหินนั้นอย่างแผ่วเบาและตะโกนถามลงไปยังเบร์ข้างล่างเบร์เราพบกำแพงแนวกำแพงเมืองแน่นอนแล้วละ่ะบนนี้อยากรู้ว่าด้านต่ําสุดที่พวกเธอยืนอยู่ตอนนี้พบลักษณะที่เป็นกำแพงบ้างไหมเสียงใสกังวลของเบร์ก็ดังตอบขึ้นมาอย่างชัดเจนว่าเราพบซากหินโบราณสําหรับก่อสร้างกำแพง หากจมดินทรายอยู่ทั้งสี่ตรงข้ามกับที่เธอกำลังดูอยู่ในขณะนี้เชื่อว่าถ้าขุดลึกลงไปทางด้านนี้ก็จะต้องพบซากกำแพงหักจมดินอยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวเออแล้วพอจะบอกได้ไหมจากชั้นของดินสภาพสีแวดล้อมและลักษณะของหินกำแพงที่หักนะ่ะคริส้องถามต่อไปโดย เ, เร็วก็มีร่องรอยของแผ่นดินไหวในบริเวณที่เป็นกาแพงนี่ ทำให้มันถล่มหักลงมาและแผ่นดินอันเป็นพื้นที่เดิมจะต้องเป็นบริเวณที่ดอนสูงหากจะถูกถล่มยุบลงมาจมดินอยู่นานแสนนานสภาพอิฐแบบศิลาแรงที่นำมาก่อเป็นตัวกาแพงนะ่ะมีความแกร่งมากเพราะการเวลาที่ฝังจมดินอยู่และมีเศษไม้ประกอบสิ่งก่อสร้างที่กลายเป็นฐานหินไปแล้วถ้าจะให้คเนอายุฉันว่ามันกว่าแสนปีขึ้นไป ลำห้วยที่นี่ก็เหมือนกันถ้าที่จริงมันเคยเป็นรอยแยกของแผ่นดินไหวมาก่อนนะทั้งนั้นก็คิวอีดีล่ะเช่อรุดร้องออกมาในตาเป็นประกายยินดีตื่นเต้นแต่พรานใหญ่เอาหลังมือขยี้จมูกแรงๆพูดเสียงต่ำๆกับคริสติน่าว่านี่คุณเบล่ะเขาบอกกับผมว่า เธอไม่มีความรู้เรื่องทางธรณีวิทยาหรือซากโบราณเลยแล้ยที่เธอรายงานคุณขึ้นมานะ่ะมันหมายความว่าไงแม่ผมทองมองดูระพินด้วยสายตางงๆเล็กน้อยเพราะไม่ทราบความในอะไรมาก่อนก็บอกมาเดยไม่มีอะไรปิดบังอำพรางว่าฉันไม่รู้นะว่าระหว่างที่เบนแยกทางจากพวกเราไปเพื่อเดินไปหาคุณตรงกลางทุ่งนั่นจะมีการพูดอะไรกันยังไง แต่ที่แน่แน่ก็คือนอกจากวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางสาขาโรคเมืองร้อนแล้วเบนยังเป็นนักธรณีวิทยามือระดับสอนในมหาวิทยาลัยทีเดียวไอ้พวกฟอสซินหรือซากโบราณต่างๆนะเขาก็ชำนาญดีอยู่พวกเราที่มาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยฉันหมายถึงฝ่ายฉันทุกคนมีความชำนาญไปคนละอย่างทั้งนั้นแหละเพราะถูกคัดแล้วเพื่องานในครั้งนี้โดยเฉพาะทำไม คุณสงสัยอะไรเหรอนพรานกรบพินคำรามเบาๆ บ, บนหัวเราะฮือๆถอนฉิวก็เธอโกโหกผม嘛นี่บอกว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเกี่ยวกับธรณีวิทยาหรือศาสรโบราณเลยไอความหวังของผมก็คือต้องการผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงเพราะผมเองนะไม่มีความรู้ในเรื่องนี้มากนักตอนที่ถวจ ด, ดูเนินที่ทุ่งราบนั่นอยู่ด้วยกัน เบนไม่ได้ให้ประโยชน์หรือช่วยเหลือผมในด้านความคิดอะไรขึ้นมาบ้างเลยถามอะไรก็ทะเลาไลออกนอกทางหมดปล่อยผมเซ่ออยู่คนเดียวะ่ะคริสติน่ายิ้มขันๆพยักหน้าอย่างเพิ่งจะเข้าใจเฮออ้น้าคุณก็อย่าไปจริงจังตั้งแง่อะไรกันไม่นั่นนักเลยคุณคุณก็รู้ดีอยู่แล้วอะ่ะเบนบางขนาดก็ขี้หยัอ่ะขี้แยขี้ยั่วเขาชอบเห็นคุณตอนโมโหนะ มินตะก้อนจะไม่เลือกคนที่มาทำงานครั้งนี้เฉพาะมีเซ็กแอพเพลอย่างเดียวเท่านั้นนะคุณจะต้องประกอบด้วยความสามารถในขั้นสุดยอดในแต่ละวิชาสาขาเท่าที่เขาคิดว่าจำเป็นด้วยเราไม่ได้มาในฐานะสายลับเพื่อสาร์สื่อข่าวนะคุณแต่เรามาเพื่อกู้ระเบิดนิวเคลียสิกเมกตันถ้าคุณจะถือสาขุนเคืองอะไรกับเบแล้วก็ฉนันขอไว้เทีเถอะ คิดว่าเขาล้อคุณเล่นมากกว่าที่จะปิดบังอะไรแต่บางทีก็ล้อเล่นผิดกลาลเทศะไปหน่อย <encima> สุภาพบุรุษไทยกระแทกเสียงหนักๆเอาเอาไมนั้นว่าผมทำใจได้แล้วผมก็คิดอยู่เหมือนกันวัยเพนตะก้อนคงไม่ส่งผู้หญิงที่ชำนาญเฉพาะการรีซิเมน์อย่างเดียวมาทำงานชิ้นนี้หรอก <ties> ก็เป็นการดีมากแะที่เบนมีความรู้ความชนานาญในด้านธรณีวิทยา เพราะตอนนี้เรากำลังต้องการผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้อย่างมากที่สุดเพื่อวิเคราะห์หาข้อมูลรวมทั้งทางหนีที่ไล่ของเราด้วยทำไมมีอะไรเหรอพี่เชิดวุฒททำหน้าตื่นเลือกรลักเพราะไม่ทราบเรื่องถามมอาเบาๆระพินตัดบทแต่เพียงว่าเปรลารักคุณพุทธไม่มีอะไรหรอกก่อรากไม้ไวด้ดีๆระวังจะลื่นตกไปบนนี้กับข้างล่าง น, นันถึงมันจะไม่สูงมากนัก แต่ถ้าลื่นพัดลงไปยังไม่มีอะไรเลยก็ขาซนละคุณแล้วเขาก็หันไปตะโกนเบื้องล่างโดยไม่ระบุชัดว่าถามใครพบตาน้ำผุหรือว่าน้ำซึมข้างล่างมากงไหมขณะที่ตรวจอยู่ในละแวกสิบเมตรก่อนจะถึงแนวหักโค้งนั้นไม่พบว่ามีตาน้ำจากด้านล่างเลย น้ำในทานเล็กๆนี่เป็นแหล่งรองรับมาจากทาันทางน้ำไหลด้านบนที่พวกคุณสำรวจอยู่นั่นแหละเสียงเบนตอบมาอย่างคนมีความสันทัดในด้านนี้โดยตรงและพอจะบอกได้ไหมว่าน้ำที่มันทะลักซึมออกมาจากบริเวณที่เป็นกำแพงนี่มาจากไหนเกิดได้ยังไงเสียงแม่ผมแดงป้องปากตอบขึ้นมาอีกว่า ก็น่าจะเชื่อว่ามีลำธารใต้ดินไหลผ่านใกล้เคียงบริเวณทางซากกำแพงถล่มนี่และมีขแขนงของสายน้ำเล็กๆซึมผ่านมาทางด้านแนวกำแพงเป็นเส้นทางของสายน้ำที่ไม่ใหญ่มากนักนะมันเลยหาทางซึมออกมาทางผนังกาแพงนั่นแล้วก็ไหลลงมาข้างล่างอีกต่อหนึ่งขีมการเดินทางของคุณวันนี้แม่นยํามาก เพราะเข้าตรงเป้าหมายแล้วสมาร์ทกายเบนหัวเราะกล้องขึ้นมาอีกขณะนั้นด็อเตอร์ซลลี่กับทีตก็ช่วยกันตะโกนบอกให้เขาและอีกสองคนที่เกาะกันอยู่ตรงผนังห่วยให้ลงไปสมทบข้างล่างระพินจึงพยักหน้าให้คริสติน่าและเชิดวูดไตลงไปก่อนตัวเขาเองปลดกระติกจากเอเปิดฝาออกยื่นไปรองสายน้าทางช่องทางหนึ่ง ซึ่งพุ่งออกมาเหมือนน้ำพุเล็กๆจนเต็มและปิดฝาเหน็บเอวไว้ตามเดิมจากนั้นจึงค่อยๆต่ลงมาเป็นคนล่าสุดบุญคํากระเสยลงมาร่วมกลุ่มกับฝ่ายนายจ้างและพวกลูกหาบทั้งหมดแล้วทั้งหมดกำลังพูดกันจอกแจกไปหมดและกล้มๆเงยๆมองค้นหาหลักฐานไปตามพื้นของทั้งสองฝั่งห่วย แต่ไม่มีใครเดินออกไปห่างไกลรับมุมที่เลี้ยวลดอยู่ไปมาตลอดช่องทางที่ลักษณะเป็นลำห้วยซึ่งทุกคนลงมาชุมนุมกันอยู่ขณะ น, นี้มุมที่พอจะมองเห็นไปได้ทั้งด้านซ้ายและขวามันห่างเพียงแค่ด้านละไม่เกิน 12-13 ถึงเมตรเท่านั้นก่อนจะหักโค้งเข้าสู่จุดอับสายตาพวกลูกหาบได้รับคำสั่งให้ขึ้นไปนาภาชนะที่ทิ้งไว้ข้างบนลงมาบรรจุน้าไว้ทันที นอกเหนือจากกระติกส่วนตัวของพวกนายจ้างขณะนั้นเป็นเวลา 16.30 นาฬิกานาทีเข้าไปแล้วแสงสว่างในโดงเริ่มจะมืดลงอย่างรวดเร็วแต่ทุกคนก็ยังเหงื่อซกและเหนียวหนับไปทั้งตัวเพราะการกรมแดดตลอดจนความแห้งแล้งมาตลอดทั้งวันอันยาวนานตามปกติแล้วบริเวณนี้เป็นลำห้วยแหง้งมีเส้นทางน้าไหลอ ย, อยู่ตรงกันตรงก้นนิดเดียว จากน้ำที่ออกมาจากผนังห้วยนันหัวหน้าคณะอันเป็นอเมริกันเอาโสกล่าวกับเขาด้วยสีหน้าที่แช่มชื่นขึ้นเป็นที่น่าสงสัยว่าเหตุใดน้ำที่ไหลลงมาเหล่านี้จึงไม่ถูกดูดซึมซับหายไปภายใต้พื้นดินหาแต่กลายเป็นลำธารเล็กๆพอรักษาน้ำให้ไหลไปตามเส้นทางของมันได้คำตอบก็คือข้างล่างลงไป เป็นชั้นของหินลาว่าที่รองรับไว้อีกทีหนึ่งถ้าขุดลงไปสักสองสามเมตรเราจะพบชั้นหินดานอันแท้ที่จริงก็คือหินจากลาว่าที่แผ่กระจายไปทั่วบริเวณนี้นั่นแหละถ้าเป็นพื้นกรวดทรายธรรมดาน้ำที่ไหลลงมาจะซึมหายลงไปในดินหมดไม่รวมตัวเป็นลำธารเล็กๆอย่างที่เห็นอยู่ในร็อกเป็นที่น่าตื่นเต้นมากที่เรามาพบนครบาบิโลนอีกแห่งหนึ่ง จมอยู่ในป่าทางแถบเอเชียและมันก็ตรงตามที่คุณได้เล่าให้เราฟังไว้ลักษณะเหมือนนิทานไม่น่าเชื่อมันก็ต้องเชื่อละวระพินยังยืนจ้องดูสายน้ำเล็กๆนั่นนิ่งอยู่สลับไปกับการแงนมองขึ้นไปดูฟังบนของลำห้วยเบนถามหน้าตาเฉยลงมาที่เขาว่าคุณหรือพวกคุณนำทางมาพบเขาเอง แต่ดูท่ายังมีข้อสงสัยอยู่มากใช่ไหมว่าถ้าหมุนการเวลาย้อนหลังได้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับผมรู้ว่าพวกคุณรู้ดีกว่าผมลงได้พบหลักฐานแบบนี้แล้วเพียงแต่ว่าจะให้คำอธิบายหรือไม่เท่านั้นนะและจะให้อธิบายไหมล่ะหล่อนเลิกคิวย้อนมาพร้อมรอยยิ้มกึ่งยาะกึ่งขัน จอมพรานยักษ์ไหลผมน่าไม่สนใจความเป็นมาของมันนักล็อกเอาว่าผมพาพวกคุณมาพบแหล่งน้ําแหล่งที่พักของคืนนี้และแหล่งที่เราอาจจะต้องผจญกระสึกครั้งหนักที่สุดของนครผีดิบนี่ผมก็พอใจแล้วน่าอย่าน้อยใจนะ่าเมื่อกี้ก็แค่ล้อเล่นหน่อยเดียวคุณก็พรุตสว่าใส่ฉันจะแสบไปถึงปากมดลูกเลย คุณก็ด่าผมอย่างชนิดไม่เคยมีใครกล้าด่ามาก่อนนะระพินคำรามออกมาเอาเอางั้นก็เป็นนั้นว่าหายกันแล้วกันลืมซะเถอะนะคุณคุณน่ะอยากปากจัดกับฉันก่อนนี่นี่ฉันจะบอกให้นะกําแพงเมืองที่เราพบอยู่เนี่ยถ้าเรามีเวลาสำรวจทั้งหมดเราจะพบอาณาจักรทั้งอาณาจักรถล่มอยู่ใต้ดินอันเกิดจากภูเขาไฟใต้ดินระเบิดและแผ่นดินไหว มันเป็นมิจฉาสินีครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดทีเดียวสําหรับในยุคนั้นซึ่งกะไม่ได้แน่นอนว่ามันนานมาแล้วสักเท่าไหร่และกําแพงที่เราพบร่องรอยแต่เพียงเล็กน้อยเนี่ยเป็นกําแพงเมืองที่สูงใหญ่มากกั้นล้อมรอบบริเวณป่าทึบไว้ทั้งหมดเป็นอาณาบริเวณเท่าไหร่ก็ไม่ทราบอะแต่มันได้ซุดถล่มลงมาจมดินจากที่ดอนสูงกลายเป็นทุ่งลุ่มต่ําไป คุณเองก็น่าจะรู้ในเรื่องภูมิศาสตร์ของผิวโลกได้ดีพอควรในข้อที่ว่าเมื่อการเวลาผ่านไปภูมิประเทศมันเปลี่ยนแปลงอยู่ได้เสมอทะเลกลายเป็นพื้นดินหรือพื้นดินกลายเป็นทะเลที่ดอนกลายเป็นที่ลุ่มและสลับกันที่ลุ่มก็กลับมาเป็นที่ดอนแม้แต่ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกหรือยอดเอเวอเรสต์ของเทือกยิมาลายัยครั้งหนึ่งนานเท่าใดแล้วไม่ทราบ มันก็เคยจมอยู่ใต้มหาสมุทรหลักฐานบ่งชัดได้จากซากเปลือกหอยสังที่ไปจมอยู่บนยอดเขาสูงที่สุดในโลกเทือกนี้และทวีปโบราณบางทวีปก็อันตรธานหายไปซะแล้วอย่างทวีปแอตแลนติสพลานใหญ่ควักบุรี่ออกมาจุดสูบครั้งแรกแล้วดีดลูกไฟกระจายนี่คุณ ผมไม่ต้องการเรียนภูมิศาสตร์หรือธรณีวิทยากับคุณในตอนนี้นะแต่อยากจะรู้เท่านั้นแหละว่าจากหลักฐานที่คุณพบเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนานสักเท่าไหร่แล้วสำหรับอาณาจักรถล่มนี่ถ้าคุณพอจะบอกได้เฮ้ <c oughs> <c oughs> เลิกทะเลาะกะะันซะเถอะนะบรรยากาศแวดล้อมรอบตัวเราขนาดนี้มันก็ไม่ค่อยจะเข้าท่านักอยู่แล้วยังมาตีลูกรวนเล่นสานวนอะไรกันอยู่อีกฉนันว่ามันไม่สนุกนักหรอกนะ นายคิดผู้มีความรู้สึกสะบัดร้อนสะบัดหนาวขึ้นมาอย่างลึกลับนับตั้งแต่มองเห็นภูมิประเทศบ่นขึ้นมาเบาๆทำหน้ามุยโบกมือมาเบนโยนท่อนกลมๆยาวๆดุ่นขนาดข้อมือเหมือนไม้ท่อนหนึ่งมาให้เขากระพินรับไว้ยกขึ้นพิจารณามันมีน้ำหนักค่อนข้างมากและแกแง็งจนแทบจะเป็นหินแต่สภาพของรอยที่มันหัก อย่างไม่สม่ำเสมอเพราะวาวาวแหวงแหวงและแลดูเหมือนตากฉลามที่เกิดขึ้นทั้งสองด้านทำให้น่าจะพิเคราะห์ได้ว่ามันควรจะเป็นไม้ความยาวของมันประมาณสอกเศษอคุณว่ามันคืออะไรเบนถามมารพินเดาะสิ่งนั้นในมือและทดลองเคาะกระลำกล้องเหล็กของไรเฟิลเขาเบา เสียงของมันกังวานหนักแน่นเหมือนหินไม่มีพิดแล้วคุณพบจากที่ไหนเนี่ยไปพบก็ได้ยังไงเบลบุยปากนุ่นริมผนังห้วยตอนล่า ง, งอีตอนที่ฉันงัดเศษหินที่แลดูเหมือนส่วนประกอบของกำแพงเมืองอมันฝังดินอยู่ปริมปริมท่อนชนิดนี้ถูกทับอยู่ข้างใต้อีกทีหนึ่ง มันเหมือนกระบองไม้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอันเป็นเครื่องมือที่มนุษย์เหลาขึ้นอาจจะเป็นด้ามหอกที่หักก็ได้แต่สภาพของมันตอนนี้ดูไม่เหลือความเป็นไม้อยู่เลยเีัยก็หินเ่ยไม้บางชนิดที่มีคุณสมบัติพิเศษแกล่งอยู่ในตัวของมันเองหากมีการฝังดินอยู่เป็นเวลานานจะไม่ผุเบื่อยสลายตัวไปตรงข้ามกลับจะยิ่งแร่งขึ้น อย่างที่เราเรียกว่าเงาไม้เจ้าสิ่งที่คุณถืออนยะู่น่ะถ้าส่งเข้าห้องแล็บผ่านกรรมวิธีชาคโคนเทสมันจะบอกได้ทันทีว่ามีอายุอาณามมาสักเท่าไหร่แล้วแต่สำหรับความรู้สึกของฉันนะ่ะนะโดยเปรียบเทียบกับสภาพของซากกาแพงนี่กะว่าไม่ต่ำกว่าแสนปีขึ้นไปอย่างที่บอกไว้แล้วสภาพของมันน่าจะอยู่ในยุคเดียวกันฉันก็บอกได้แค่นี้แหละ ต่อไปคุณก็ต้องสันนิษฐานเอาเองแล้วกันกว่าแสนปีขึ้นไปหรอพรานใหญ่พื้นพรรมหรีตาลงทางประวัติศาสตร์โบราณศาสตร์หรือโบราณคดีเคยมีปรากฏเป็นหลักฐานหรือสมมุติสถานไว้หรือว่าระยะเวลายาวนานย้อนหลังไปถึงขนาดนั้นมนุษย์ได้มีความเจริญทางสรีระวัตถุธรรมหรือศิลปกรรม ทางสถาปัตยกรรมมาแล้วไอ้เท่าที่ผมเรียนมาตามประสาคนเรียนน้อยก็รู้แต่เพียงว่าในยุคนั้นมนุษย์ยังอยู่ในถ้ำไม่ใช่เหรอคุณเบลหัวเราะเบาๆพยักหน้าไปทางด็อกเตอร์สแตนลีย์ฉันว่าเรื่องนี้คุณต้องหาเรือจารย์ดูแ ล, แล้วล่ะฉันอาจให้คำอธิบายกับคุณได้ไม่กระจ่างนักหรอกสายตาระพินเปลี่ยนไปจับ อยู่ที่อเมริกันเอาโสอันเป็นหัวหน้าคณะดรสแตนลีย์เอาหลังมือป้ายริมฝีปากกล่าวช้าๆเสียงขรึมๆว่าอืมมันก็เพียงแค่สมมุติฐานอะนะระพินในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติบนพีพบโลกนี่หากค้นกันลงไปให้ลึกและมีการศึกษาวิเคราะห์กันอย่างจริงจังเราก็พอจะได้ข่เงื่อนและเป็นที่รับรองกันแล้ว ในบรรดานักวิทยาศาสตร์ทางโบราณคดีว่ามนุษยชาติมีการวิวัฒนาการเหมือนวงล้อกเกวียนคือเจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสุดหมายถึงล้อหมุนจากล่างขึ้นมาด้านบนแล้วก็เสื่อมสลายลงไปถึงต่ำสุดอันหมายถึงล้อกเกวียนตำแหน่งสูงสุดนั้นถึงรอบที่หมุนลงด้านล่างก็หมุนสลับวนเวียนกันไปเช่นนี้ไม่มีที่สิ้นสุด หลายรอบวิวัฒนาการมาแล้วคะเนนับไม่ได้จึงอาจจะเป็นไปได้ในข้อที่ว่ามนุษย์เกิดแล้วเจริญรุ่งเรืองขีดสุดแล้วศูนย์พันไปแล้วแล้วก็ก่อกําเนิดเริ่มต้นขึ้นมาอีกเป็นยุคยุคไปผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆจากหลักฐานที่ค้นพบเช่นเราค้นพบซากโครงกระดูกและเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์สมัยหนึ่ง สมมุติย้อนหลังไปห้าหมื่นปียังเป็นมนุษย์ถ้าถือเป็นมนุษย์ชั้นเบื้องต้นในยุคหินแต่แล้วเราก็ไปพบซากอารยธรรมของมนุษยชาติที่จเจริญแล้วต่างมีอายุเก่าแก่ย้อนหลังมนุษย์ถ้าลงไปอีกยาวไกลไอการจะตั้งหลักเกณฑ์ว่ามนุษยชาติเกิดขึ้นเมื่อไรเริ่มต้นจเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่เมื่อไหร่จึงไม่สามารถจะกําหนดตายตัวลงไปได้ เพราะเกิดแล้วดับแล้วเจริญแล้วพินาศแล้วหวนกลับมาเริ่มต้นใหม่อยู่เช่นนี้ไม่รู้จบมันก็แบบเดียวกับวงล้อกเกวียนลักษณะที่เขาเรียกว่าไซคล i ออเดอร์นะคุณแล้วหัวหน้ า, นาคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ก็ยักไหลยิ้มจิตจืดกล่าวต่อมาว่า ไอ้ข้อสมมติที่เราจะเห็นกันได้ง่ายๆในยุคนี้ก็คือถ้าสงครามล้างโลกเกิดขึ้นทั้งสหรัฐและโซเวียตกดปุ่มอาวุธนิวเคลียร์เข้าใส่กันหมดพร้อมกันทุกฝ่ายอะไรจะเกิดขึ้นบ้างมนุษยชาติกว่าจะเกิดขึ้นมาได้ใหม่กว่าจะหวนกลับมามีความเจริญรุ่งเรืองมีอารยธรรมได้เหมือนขนานี้ก็คงใช้เวลาอีกนับแสนหรือล้านปีไม่ใช่เหรอคุณ อ่าถ้าอย่างนั้นพวกคุณก็คงจะยอมรับในทฤษฎีนิทรานครที่ผมพูดไว้ล่ะสิดรระพินถามแลไปยังนายจ้างอเมริกันทุกคนใช่ระพินจากหลักฐานที่เราเห็นอยู่นี่เราก็ไม่มีทางจะปฏิเสธได้อีกแล้วละ่ะคุณระพินก้มศีรษะลงนิดนึงน่นและครับ ผมต้องการฟังคำพูดประโยคนี้แหละให้ออกมาจากปากของพวกคุณเองดีกว่าที่ผมจะพูดอะไรต่อไปนี้เราก็จะได้เตรียมรับมือกับสิ่งที่มันจะมาสู่เราได้โดยไม่มีใครมัวคิดคัดค้านหรือมีความรู้สึกโต้แย้งอยู่ภายในไอ้นิทานต่างๆที่ผมเคยเล่าไว้น่ะเดี๋ยวนี้ผมก็ได้นําพวกคุณทุกคนนี้มาเห็นกระตาชัดๆแล้วจึงขอพิจารณากันเองแล้วกัน นี่คุณคุณเคยเล่าให้เราฟังว่าในการมาครั้งก่อนแล้วพักพวกทุกคนอยู่ในสภาพแตกแยกกระจัดกระจายกันไปคนละทิศละทางในเขตอาณาจักรโบราณลี้ลับนี่คุณกระบุญคําได้มาพบกับครูเมืองและกาแพงเมืองเข้าก่อนไม่ใช่เหรอก่อนจะเข้าไปเผชิญกับความอาถรรพ์มหาสัจจ์ทั้งมวลน่ะคริสติน่าถามมาอย่างคนละเอียดที่ท่วน ระพินกระดกปลายลิ้นออกมาแตะริมฝีปากแงนมองขึ้นไปยังผนังลำห้วยนั้นอย่างตรายตรองลึกซึ้งอีกครั้งแล้วใช้นิ้วเคาะคำับระหว่างนี้คีตกระเชิดบุตรกำลังพิจารณาอยู่ที่ท่อนไม้เก่าแก่ลักษณะเป็นด้ามหอกหักที่ระพินส่งผ่านไปให้มันเป็นกำแพงเมืองลักษณะเดียวกันเขาตอบขึงขึ ง, ขงแช่มช้า แต่ตรงที่เราพบอยู่นี่ไม่ใช่ที่เดียวกับที่ผมและบุญคําพบมาก่อนในะตอนนั้นมันอาจจะเป็นคนละด้านคนละทิศ ท, ทางกันและกําแพงในลักษณะนี้มันก็คงไม่ได้มีอยู่แห่งเดียวถ้าเรามีเวลาพอเราอาจจะเดินเลาะไปตามลําห้วยที่เห็นเป็นทางยาวไกลออกไปนี่บางทีอาจจะไปพบกับบริเวณที่ผมพบมาแล้วก็ได้หรืออาจจะไม่พบก็ได้ถ้ามันเป็นกําแพงเมืองคนละส่วน แต่สำหรับวันนี้เราไม่มีเวลาพอแล้วล่ะพิทีหน่าหันไปจับแขนเพื่อนสาวพูดเป็นงานเป็นการว่าเบีร์ Bear. ลองพิจารณาดูให้ดีสิกำแพงที่เป็นแนวอยู่นี่เรารู้แน่ว่ามันเป็นอาณาเขตกั้นอะไรสักอย่างหนึง่งอาจจะ ก, กั้นเมืองหรือกั้นเฉพาะเขตซึ่งเป็นเขตหัวงห้ามเช่นปราสาทราชวางังเมื่อมีการกั้นก็แปลว่ามีด้านนอก และด้านในถือว่าส่วนไหนเป็นส่วนนอกและส่วนไหนเป็นส่วนในระหว่างทุ่งโล่งที่เราเดินผ่านมาแล้วกับป่าทึบที่เรากําลังมองเห็นอยู่นี่โดยไม่มีการลังเลเลยอิสเบีนชี้ปลายกระบอกปืนที่ปลดมาถือไว้ไปทางด้านป่าทึบฉันว่าในเขตป่าทึบนั่นแหละคือบริเวณที่ถูกกําแพงนี้กั้นไว้ ที่เราเดินผ่านมาแล้วเป็นบริเวณสวนนอกถ้างั้นแม่ผมทองนักเคมีฟิสิกหันไปทางพรานใหญ่ถ้างั้นพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็มุ่งเข้าสู่หลักฐานในส่วนด้านในสิถูกต้องไหมระพินก้มหัวลงอีกครั้งถูกต้องครับถ้าพรุ่งนี้ ยังมีสําหรับเราพรุ่งนี้จะต้องมีสําหรับเราแน่นอนในพรานตราบใดก็ตามที่คุณยังอยู่กับพวกเราไม่ชิงล้มหายตายจากไปซ ะ, ะก่อนคริสตินาเน้นเสียงครับผมก็หวังอย่างนั้น่ะเพราะผมเองก็ยังไม่อยากจะล้มหายตายจากไปซ ะ, ะก่อนเหมือนกันรวมทั้งไม่ต้องการให้พวกเราคนใดคนหนึ่งต้องมีอันเป็นไปด้วยเอาละครับ วันนี้เป็นวันที่เราเดินทางกันอย่างได้ผลที่สุดเราจะพักกันบนฝั่งห้วยนี่แหละโดยเลือกชยภูมิที่เห็นว่าดีที่สุดแล้วพวกคุณก็เหนื่อยหนักกันมาทั้งวันแล้วคงต้องการจะอาบน้ำผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าถ้าใครต้องการก็ขอเชิญได้เดี๋ยวนี้ครับก่อนตะวันจะตกดินผมใายคนของผมคอยระวังไว้ให้แต่ขอให้เร็วหน่อยนะครับเร็วที่สุดได้เป็นดีพราณของผมจะสำรวจไปทางด้านใต้ของสายทานเล็กๆนี่ เชื่อว่าอาจจะพบแอ่งที่ลึกกว่านี้พอจะอาศัยอาบน้ำหรือเช็ดตัวได้แต่ขอยรู้ว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยผิดกร ะ, ะเลสาบบนยอดเขาที่เราพักกันมาแล้วนะครับคริสติน่ากับเบลอันเป็นผู้หญิงเพียงสองคนในคณะยิ้มออกมาได้อย่างเช่มชื่นยินดีขอบคุณมากคุณในการอนุญาตเราในเรื่องนี้เราไม่อนามัยจัดที่จนถึงก็ต้องถึงการให้คุณต้องหาแหล่งอาบน้าให้เราได้ทุกวันหรอก แต่ถ้าพอจะมีโอกาสก็ขอเถอะนะเพราะเหนือหนักไปหมดทั้งตัวแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวันนี้ทั้งสองบอกมาระพินสั่งการกับพรานลูกน้องของเขาและพวกลูกหาบทันทีเพื่อให้แยกย้ายกันปฏิบัติงานโดยเร็วเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งที่ตั้งแคมป์หุงหาเกิดกับยันได้รับคำสั่งให้สำรวจไปตามเส้นทางของลาห้วยด้านใต้ มือหาที่อาบน้ำชำระกายให้แก่ฝ่ายนายจ้างและให้ทั้งสองทำหน้าที่เป็นพรานคุ้มกันชั่วไม่กี่อึดใจต่อมาพอรับแนวโค้งของลำห้วยก็ได้รับรายงานว่ามีบริเวณแอ่งน้ำขนาดกว้างและลึกประมาณหัวเขา่าพอที่จะอาศัยในด้านชำระล้างกายได้คริสติน่าและเบลไปยึดตำแหน่งนั้นก่อนเป็นคู่แรกสาหรับตัวเขาเองหัวหน้าคณะคีตและเชิญบุตร ไตกลับขึ้นมาบนฝั่งห้วยก่อนขณะนั้นกองไฟขนาดใหญ่ได้ก่อขึ้นแล้วและเนื้อสันของมหิงสากำลังถูกย่างอยู่บนร้านตำแหน่งที่พักห่างจากขอบห้วยออกมาเล็กน้อยใต้ต้นไทรใหญ่นั่นเองโดยเลือกเอาบริเวณที่โล่งเตียนมากที่สุดต้นไม้เล็กๆหลายต้นที่เกะ ก, กะอยู่ถูกตัดออกไปฟืนสำหรับสุมเป็นไฟรุ่งมีอยู่เหลือเฟือและตรกเตรียมไว้พร้อม เพื่อหากจำเป็นก็สามารถจะก่อได้รอบทิศโดยไม่ขาดแคลนและโดยไม่จำเป็นจะต้องให้ใครออกไปนอกปริมณฑลในเวลากลางคืนเขาส ก, กิดบอกคีดกระเชิดบุตรให้เอาเอ็มที่กลายเป็นปืนสำรองของนายคิดเองและหัวหน้าคณะไปแล้วนั้นออกมาไว้ประจำตัวพร้อมทั้งแมกกาซีนอะไหล่และกระสุนสำรองเป็นจำนวนมากพันเอกแห่ง US Army พอได้รับการเตือนเช่นนั้นก็กรอกตา เป่าลมพูออกจากบากสุดใหญ่แน่เลอคืนนี้คิดถามเสียงอ่อยๆนี่ตอนรบในเวียดนามเคยถูกหน่วยเชปเปอร์โจมตีมั่งปะจอมพรานถามมาหน้าตาเฉยก็กาสามครั้งเกือบตายหาทั้งสามครั้งะครั้งหลังสุดไอ้มืดยศจาวิ่งทลาไปข้างหน้าฉัน แต่มันสมองของมันยวงหนึ่งสาดข้าวปลาทะเต็มหน้าฉันเลยเพราะหน้าผากมันถูกตัดหายไปด้วยระเบิดฉันเองก็โดนโดนก็ทิขาแต่ก็ไม่หนักหนาอะไรนะัก <c oughs> ทั้งนั้นคืนนี้อาจจะยิ่งกว่านั้นวะ่ะเพราะพวกแชปเปอร์ยังเป็นมนุษย์มีการเจ็บมีการตายได้เหมือนกันแต่ไอหน่วยปีศาจของมันไรเนี่ยมันไม่รู้เจ็บไม่รู้จักตายอย่างมากก็แค่หมดพลังงานเท่านั้นยังไงก็ตามมันอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นสักอย่างก็ได้ เราเพียงแค่เตรียมพร้อมไว้เท่านั้นแหละแล้วลเขาก็เอียงหน้าเข้ามากระซิบข้างหูนี่นายเราเข้ามาอยู่ในใจกลางถิ่นของมันแล้วมันอาจไม่เยี่ยมเราเป็นกองพันธุ์ไม่ใช่ทีละสี่ห้าตัวอย่างที่แล้วมานะเว้ยแล้วเรามีข้อแนะนําพิเศษอะไรมั่งไหมเนี่ยก็วิทยุเรียกตันชิปมาช่วยงไง ทวิทยุของนายยังติดต่อกับศูนย์บังคับการได้คิดค้อนขวับดาอุบอิบพึ้พ้ำอยู่ในลำคอนเวลาเดียวกันกับที่คณะของรพินมาวางแคมป์พักยามใกล้ค่ำอยู่เหนือฝั่งลำห้วยและพบ ก, บกับกำแพงเมืองที่ถูกฝังจมดินอยู่นี่เองฝ่ายของเชษฐาวราริธ์ก็กำลังชุลมุนอยู่กับการช่วยกันกู้เจ้าด้วนขึ้นมา จากปลักโคลนดูดในป่าอีกซีกหนึ่งของดงดิบด้านต่ำลงไปคนละทิศของขุนเขาใหญ่อันเป็นทางน้ำตกและดารินผู้หลงพลัดจากคณะไปเพียงเดียวดายก็กำลังเดินระหกระเหินอยู่ในดงกล้วยใต้ป่าหินแต่เราฝ่ายไม่มีโอกาสจะรู้ตำแหน่งแห่งที่ทิศทางของกันและกันเลยและล้วนผเผชิญกับปัญหาเฉพาะหน้าทั้งสิ่ง สิบเก้านาลิกาทุกหนทุกแห่งรอบบริเวณแคมป์พักทางฝ่ายของรพินไพรวันมืดสนิทมีแต่กองไฟขนาดใหญ่สามกองก่อไว้เป็นแนวล้อมด้านหน้าสว่างโชนส่วนด้านหลังใกล้เคียงกับบริเวณลำห้วยซึ่งมีลำต้นของไซใหญ่บังอยู่อีกทีนึงอันถือเป็นมุมอับไม่สามารถจะส่องไฟสำรวจได้ถนัดหากมีอะไรย่องเข้ามาทางด้านหลัง ทุกย้อมพรานวางรั้วระวังไพรไว้พร้อมศัพ์โดยการสั่งคนของเขาทั้งหมดช่วยกันลากกิ่งไม้ใบไม้แห้งๆมาวางสกัดขวางเป็นแนวโอบครึ่งวงกลมเพื่อใช้ในสองวัตถุประสงค์ข้อแรกหากมีอะไรที่จะเคลื่อนเข้ามาทางด้านนั้นมันจะต้องเยียบผ่านกิ่งไม้แห้งๆเหล่านั้นเข้ามาสัก่อนอันจะช่วยเตือนให้เกิดเสียงขึ้นกับข้อ2หากจําเป็น ก็สามารถจุดไฟให้ลุกพรึบติดแนวรั่วกิ่งไม้เหล่านั้นขึ้นได้ในชั่วพริบตาด้วยระเบิดเพลิงชนิดคว้างซึ่งฝ่ายนายจ้างบริกันมีติดตัวมาด้วยพร้อมในหีบห่อของยุทธสัมภาระและกระสุนเพลิงที่ใช้กระเอ็มแบบยิงกราดเข้าไปที่ไหนเป้าหมายแม้จะเป็นต้นไม้หรือใบไม้สดก็จะลุกติดไฟทันทีกำหนดอาณาบริเวณที่พักทั้งหมดไว้ภายในรัศมีวงกลมประมาณ100ตารางเมตร ในรอบนอกและห0ตารางเมตรรอบในอันถือว่าใกล้ชิดตัวมากที่สุดตามหลักยุทธศาสตร์ของการตั้งรับไม่ว่าสิ่งที่อาจจะมาเยือนโดยลักษณะอันไม่ใช่มิดนั้นจะเป็นกองทัพช้างหรือกองพลผีดิบหุ่นยนต์อันมีปริมาณมากมายซักเพียงใดก็ตามเครื่องกระสุนทั้งหมดของปืนทุกชนิดที่มีอยู่ถูกลาเลียงออกมาตั้งพร้อมรวมท้งระเบิด จะหยิบฉวยได้ทันทีโดยไม่ต้องไปเสียเวลาแกะหยิบห่ออยู่อีกพลุสัญญาณและพลุไฟซึ่งจะให้ความสว่างในแต่ละนัดที่ยิงออกไปหลายหายมื่นแรงเทียนไฟฉายทุกระบบประจำตัวของทุกคนถูกสั่งให้ตรวจสอบหากของใครทานอ่อนก็ถูกสั่งให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ในทันทีบรรดายุทธภัณฑ์ชนิดที่ใช้กับหน่วยรบพิเศษนอกระบบเพื่องานวินาศกรรมทาลายล้างเหล่านี้ สามารถจะทำให้ปาดิบดงดำกลายเป็นทะเลเพลิงขึ้นมาได้ในช่วพริบตาจากขนาดรูปร่างและลักษณะภายนอกที่เล็กกะทัดรัดสะดวกพอที่จะขนย้ายนำพาติดตัวไปได้อย่างสะดวกทุกคนของฝ่ายนายจ้างตั้งแต่ด็อเตอร์สแตนลีย์คิดลงไปจนกระทั่งผู้หญิงผู้ร่วมคณะทั้งสองคนคือคริสติน่าและเบลร่วมมือในการวางแผนตั้งรับ ไฟของระพินอย่างชนิดพิสูจน์ให้เห็นชัดอีกครั้งว่านอกเหนือจากความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนแล้วทั้งสี่คนล้วนเป็นนักวินาศกรรมและนักจู่โจมที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษแล้วทั้งสิน้นเครื่องมือสังหารและอาวุธที่ใช้ทำลายล้างอันแอบแฝงมาในรูปลักษณะเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งอำพรางตาอย่างสนิทถูกเปิดเผยออกไปชนิดที่ทำให้ฝ่ายของระพินต้องสะอึก ทานไฟฉายเพียงก้อนเดียวซึ่งมีจุดสังเกตเพียงแค่คาดแถบสีแดงไว้ถูกนายคิดเอาออกมาแสดงให้เขาเห็นหรือการแกะฝาครอบพลาสติกที่หุ้มบริเวณคอนแทคส่วนหัวไวหรือกระตุกแรงๆให้ฉีกขาดออกเหมือนฉีกที่หุ้มขั้วทันไฟธรรมดาออกแล้วคว้างโดงลอยไกลออกไปยังแนวโดงทึบด้านหนึ่งอึดใจเดียวมันก็ปรากฏเสียงดังตูมสนัน่น รากับหัวระเบิดของ M79 ตกกระทบเป้าและเกิดประกายไฟแลบสว่างโชชช่วงบนขาคบไม้ใหญ่ซึ่งก็ประกาศซึ่งก็ปรากฏเป็นไฟลุกติดเผาไม้ฮืออยู่ตรงตำแหน่งที่มันปลิวไปกระทบนั้นอย่างน่ากลัวยิ่งเท่าเท่ากับที่ถอดแถบนิรภัยออกไปนำไปซ่อนตั้งไว้ยังเนินปลวกกะระยะห่างพอควรแล้วถอยหลบเข้ามาในแคมป์ ก็สามารถเปลี่ยนความถี่ของคลื่นวิทยุรับส่งมือถือประจำตัวไปยังความถี่อีกคลื่นหนึ่งนอกเหนือจากที่ใช้กันเป็นประจำแล้วกดคีวิทยุเพียงแต่กดคีส่งคลื่นเหมือนจะพูดวิทยุกันธรรมดาเท่านั้นเจ้ามรุตยูเพลิงซึ่งในบัญชีรายการสิ่งของแสดงไว้กับเขาในครั้งแรกว่าเป็นฐานไฟฉายฐานไฟฉายนั้นก็สามารถจะสำแดงอิทธิฤทธริธระเบิดตูม กายเป็นลูกไฟแดงเข้มหนาทึบขนาดโอ่งสามโคกแล้วแผ่ความร้อนแรงออกเผาผลาญสิ่งที่อยู่ในละแวกใกล้ตัวมันภายในสิบเมตรรอบด้านได้ทันทีเครื่องยิงพลุแบบขอความช่วยเหลือก็เช่นกันขนาดของมันเท่ากับปากกาเคือ ง, งเสียบติดกระเป๋าเสื้อได้โดยไม่มีพิรุษและหัวพลุที่จะยิงส่งขึ้นไปก็มีขนาดเท่ากับกระสุนลูกซองขนาด จุด410พอดีแต่พอมันลั่นปังพุ่งทยานขึ้นไปแตกกลางอากาศอาณาบริเวณเบื้องล่างโดยรอบก็จะสว่างจ้าราวกับกลางวันแล้วกินเวลานานถึงหนาทีต่อหนึ่งลูกกว่าที่มันจะค่อยๆรีดับลงและจะทำงานได้อย่างเดียวกันไม่ว่าจะยิงไปในแนวตั้งสูงลอยขึ้นไปบนอากาศหรือยิงในแนวราบเข้าชนกระทบสิ่งใด นอกจากจะเป็นพลุให้แสงสว่างแล้วมันยังทำหน้าที่เป็นกระสุนเพลิงหรือเครื่องส่งระเบิดเพลิงเราดีๆนี่เองระหว่างการทดสอบและทดลองกระสิ่งที่แฝงซ่อนอำพรางตามาในลักษณะเครื่องมือเครื่องใช้อันไรความหมายนี้ซึ่งทำให้ป่ารอบด้านสว่างจ้ามีทั้งเสียงสนั่นวันไหวและเกิดไฟลุกไกลรอบทิศทางทั่วทั่วไประพินยืนหลีตามอง แล้วฟังคำอธิบายอย่างสงบส่วนเชิดพุธผู้ซึ่งร่วมคณะมาตั้งแต่ต้นในฐานะตัวแทนฝ่ายการข่าวกาลาโหมไทยถึงก็ยืนอ้าปากค้างอุทานออกมาอย่างลืมตัวว่าไอชีพหายนี่มันเครื่องมือของหน่วยจู่โจมพิเศษกะจะมารบทำลายและมีโอกาสที่จะย้อนเกรดฆ่าพวกเราทุกคนได้ทุกขณะจิตเลยนี่ว่ระพิให้ไตโหงไต้หาเดี๋ยวนี้เลย ที่ผมไม่รู้เรื่องอาวุธลับรายๆพวกนี้ที่ปีาศาจ CIA สีตัวนี้เอาติดตัวมาด้วยเลยนะประโยคหลังต่อไปนายพันตรีแห่งกองทัพ บ, บกไทยกนโคตรพ่อโคตรแม่อเมริกันทั้งสี่น้ำไหลไฟดับชนิดฟังไม่ทันเชิดบุตรโกรซะจนระงับอารมณ์ไว้ไม่อยู่โดดเขาล็กอกคอฝ่ายมริกันคนหนึ่งผู้อยู่ใกล้ชิดเขาที่สุดโดยไม่เจตนาว่าจะเป็นใคร แต่ไปโดนออคริสติน่าเขาความขั่งแขนโมโหโกโรูธาทําให้เชิดวุฒิหมดสติไปชั่วขณะดาไปพลางก็ล็ก อ, อกคอกระชากไปพลางจนร่างของหล่อนส่วนเซตามแรงกระชากล็อกของเขาโดยยังไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ลักษณะของเชิดวุฒิยามนั้นเหมือนจะเค้นคอแม่ผมแดงให้แหลกไปคาปลอกแขนเกิดความชุลมุนขึ้นในฉับพลันสเตนลีย์ร้องเฮ hey แล้วง้างหมัดกระจนพรวดเข้าไป ระพินเอี้ยวตัวไปตัดขาเมริกันอาวุโสโครมอย่างรวดเร็วร่างทวมนั้นเสียหลักขมาลงกับพื้นในบัตรเดินนายคิดสมบูลั่นกระโจนเข้ามาอีกคนอย่างลืมตัวเช่นกัน ท, ทั้งทั้งที่ในมือถือ M16 อยู่ก็เจอเข้ากับลูกหลังแบบเจระเคฟาดหางออมมกเขเทศนำทางยัดสวบเข้าไปที่ลิ้นปีร้องอุ้มตัวงอปืนตกจากมือเสถอยหลังเข้าไปยังเกิดและเสย ซึ่งทั้งสองก็ปฏิบัติการต่อโดยไม่ต้องนัดแนะเกิดพุ่งตัวเข้ารวบขาทางด้านหลังราวการักบีกระชาาให้ล้มลงเสยโดดขึ้นคร่อมเอาเขายันกดหลังอเมริกันร่างยักษ์ไว้ถึงนิ่งนอนติดดินอยู่ตรงนั้นโดยสองแขนถูกรวบคว้าอยู่หลังไว้เป็นผู้ยืนตะลึงอยู่พระเหตุการณ์ชุลมุนกระตกปืนสั้นข้างเอวโดยสัญชาตยานแต่รับพินามหมายตาอยู่ก่อนแล้วหมุนควาก็ประชิดขยุ่มข้อมือไว้ แล้วกระชากปลดปืนสั้นในมือหลอนออกไปง่ายๆผลักหลังหลอนหัวสุนใบเบื้องหน้าซึ่งจันก็กระโจนลอยละเลิวเข้ามารวบกอดแม่ผมแดงไว้ดึงล้มลงไปด้วยกันแล้วก็ปล้ำกันคลุกคลีเพื่อ ก, กดหลอนให้นิ่งรพินนั้นพอปลดปืนจากเบนได้ก็ปลาดเข้าไปที่เชิดบุตรผู้มีลักษณะเหมือนคนบ้าคลังกระชากฟัดเวียงคริสติ น, น่าอยู่เขาบอกเชิดบุตรให้ปล่อยตัวแม่ผมทอง แต่นายทหารหนุ่มฝ่ายการข่าวนะหูอื้อตาลายไปเสีละฟัดคริสติน่าอยู่เหมือนแมวฟัดหนูพริบตาต่อมานั่นเองก่อนที่ระพินจะเข้าถึงตัวทั้งคู่เพื่อปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปเท้าที่ถูกรัง้งลอยพ้นพื้นของคริสติน่าก็มีโอกาสลงมาถึงพื้นได้เพราะการดิ้นรนของหลอนบัดนั้นเองร่างสูงใหญ่ของเชิญบุตรที่ล็กอกคอหลอนอยู่ทางเบื้องหลังก็มีอาการลอยละลิ้วข้ามศีรษะของหลอน อยู่ในลักษณะกระโดกตัวก้มต่ำทุ่มเชิดวุ้ปีลังกาลงไปฟาดพื้นดินดังคลักอยู่ตรงหน้าคริสติน่าเองก็คงอยู่ในภาวะลืมตัวไปซะแล้วเช่นกันเพราะถูกทำร้ายก่อนแต่เหตุการณ์ที่หลอนเห็นมันเป็นฉากต่อสู้กันอย่างชุลมุนนวนเนียไปหมดระหว่างฝ่ายหลอนกับฝ่ายของระพินพอหลุดตัวเป็นอิสระได้ก็กระตกปืนสั้นในซองคาดลายออกมา ระพินจะร้องห้ามก็คงไม่ทันเชลั้ก็ตัดสินใจเตะเต้มเหนียวไปที่ข้อมือซึ่งดึงปืนออกมาจากซองอกของคริสขณาที่กาลังจะจ้องไปที่ศีรษะของเชอร์ลูโครมเดียวมือรลอนสะบัดเฉขึ้นไปด้านบนปืนหลุดเลยแล้วร่างกดหมุนผวาไปทั้งตัวด้วยแรงข้อเท้าที่เวียงขึ้นมาสัมผัส ข, ข้อมือนั้นบุญคําทันหลันมาจากไหนไม่ทราบกระโดดตัวลอยขึ้นไปรับปืนสั้นของคริสติน่าไว้ได้ รันใหญ่กระโดดเข้าไปกลางวงมือหนึ่งกระชากไหลคริสติน่าผู้กำลังจะไล่ขยี้บุญคำอยู่แล้วรังไวมัน่นอีกมือหนึ่งชูปืนสั้นจุดสามห้าเจ็ดของเบลที่แย่งมาได้ขึ้นเหนือสีสัะเหนียวไกลลั่นกระสุนขึ้นฟ้าไปสอสนั่นวันไหวไปหมดพร้อมกับตะโกนลยุดนะยุดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นพ่อยิงตายห่าหมดทุกคน ล, ละ สภาพอันกำลังชุนละมุนอยู่ในลักษณะต่างๆชะ ง, งักนิ่งลงชั่วขณะในพริกตานั้นคิดนอนลึงตาโพโล่ความหน้าอยู่กระดินโดยมีเกิดและเซยบล็อกแขนขาไว้แต่ลีเพิ่งจะสงบสะเงจากสภาพล้มขมามาบัดนี้นั่งอกายยันพี้ เชิดบุตรกำลังอยู่ในลักษณะคลานสีเท้าสะบัดหน้าอยู่เราเราเบลนอนหน้าซี่ตัวสั่นเพิมด้วยความตกใจติมเต้นทำอะไรไม่ถูกอยู่ในวงรัศของจันคริสติน่ากำลังหน้าบุตรเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดอยู่ในอุ้งมือซ้ายบานขีมเหล็กที่ขยุ้มจับซอกหัวไหลปดเข้ากระส่วนประสาทสำคัญอันทำให้หมดแรง และยิ่งขยับนิ่งก็ยิ่งระพินไพรวันสีหน้าเย็นเยียบปานหินบนหลุมฝังศพมือหนึ่งยังจิกซอกไหลคริสอีกมือหนึ่งถือปืนชูเหนือศีรษะพิ่งยิงไปยกๆยกสองนัดซ้อนควันยังจางไม่หมดไปจากปากกระบอกมันเป็นวินาทีแห่งการจัง ง, งัง และหยุดการเคลื่อนไหวของคนทุกคนและต่างอยู่ในภาวะมึนงงจับต้นชนปลายไม่ถูกวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นจอมกคุเทศค่อยๆปลดอุ้งมือที่ขยุ่มจิกซอกไหลคลิสออกเมื่อรู้สึกว่าทุกคนจะได้สติกลับคืนมาบ้างแล้วพร้อมทั้งลดปืนสั้นลงมาถือในท่าปกติประกาศขึ้นด้วยเสียงเรียบๆ เหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยว่าทุกท่านโปรดฟังมันยังไม่ถึงเวลาที่เราทั้งสองฝ่ายจะต้องมาฆ่ากันขณะนี้เท่าที่ผมจำได้เรากาลังอยู่ในระหว่างผาเผชิญปัญหาสาคัญร่วมกันและช่วยกันวางแผนป้องกันอันตรายอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นอุปัตววเหตุเพราะความลืมตัวไปชั่วขณะของคุณเชิดบุตร จึงเกิดเป็นมวยหมูตะลุดกันขึ้นจนถึงก็จะเอาชีวิตกันโดยไม่มีสาเหตุจำเป็นอะไรเลยทุกคนบ้าไปทั้งหมดทุกคนอยู่ในภาวะลืมตัวขอให้ทบทวนว่าใครลืมตัวเผลอทาอะไรกันลงไปบ้างและมีสติกลับคืนกันมาสักทีบัญญาชนมีเหตุผลกันแล้วทั้งนั้นแต่เมื่อใจที่แล้ว ทุกคนกลายเป็นสัตว์ป่าในนรกดำแห่งนี้กันไปหมดถ้าจะฆ่ากันผมไม่ขัดแต่ขอยถึงเวลาสะก่อนไม่ใช่เดี๋ยวนี้ประโยคหลังเขาตะโกนกล้องไปทั้งป่าความเงียบปกคลุมบริเวณทั้งหมดไปชั่วขณะจิตสภาพของแต่ละคนเหมือนภาพนิ่งค้างในจอภาพยนตร์ ที่เครื่องหยุดเดินสีหน้าเท่านั้นที่เริ่มเปลี่ยนแปลงกันไปในลักษณะต่างๆระพินออกคำสั่งเฉียบขาดต่อมาเกิดเซยปล่อยตัวไนห่างคิดช่วยกันประคองขึ้นมาจันปล่อยตัวแมมเบนเดียวนี้ด็อกเตอร์สตาลีกับคุณวุฒนะิปรดล็กขึ้นมาเลยครับ ขอยคิดว่าเมื่อใจที่แล้วพวกเราฝันร้ายไปก็แล้วกัน